รู้ชัดนี่รู้ด้วยปัญญาซึ่งปัญญานี้เป็นปัญญาสิกขาคือถ้าเราเอาเอาชื่อเต็มของจิตตานุปัสนามาจับนว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตตามพิจารณาหรือเจริญอนุปัสนาเจ็ดในจิตเ น, นะเจริญอนุปัสนาเจ็ดในจิตประกอบด้วยความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยนะ สามนี่เป็นข้อปฏิบัตินะจำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเนี่นี่คือหลักการนียหลักการใหญ่ๆให้เห็นชัดว่าเจริญอนุปัสนาเจ็ดในจิตนะแล้วก็เจริญด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะละอภิชาและโทมนัตในในจิตเหล่านั้นทั้งหมดให้ได้ทีนี้อันนี้สำหรับบุคติตันยูเข้าฟังอย่างนี้เข้าใจทีนี้ถ้าเป็นวิปปัญจิตันยูอ่ะก็จะชี้แยกมาให้เห็นอีก ว่าจิตมีราคะเอ่อจิตนั้นอ่ะเห็นจิตในจิตอเห็นจิตในจิตที่ว่าจิตเหล่านั้นมันคืออะไรก็คือเนี่ยจิตสิบหกนะจิตมีราคาจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตจิตไม่เป็นมหาคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยนะ ก็เอาอนุปัสนาเจะไปเจริญในจิตเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเป็นปฏิสัมพิธามมร์เนี่ยนะข้างหน้าต่อไปเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานกถาที่จะเล่มถัดไปเนี่ยเล่มนี้ก็พันกน้านแล้วนะเล่มนั้นก็ขู่เกลือกพันหน้าอีกแล้วนะนั่นแหละในสติปัฏฐานกถาข้างหน้าก็บอกว่ายกจิตเหล่านั้นมาเป็นจิตจากขูวิญ ญ, ญาณโสตวิญ ญ, ญาณคานะชิวหากายะมโนวิญ ญ, ญาณอีกก็าตามโดย อนุปัสนาเจตโดยนัยเดียวกันเนี่ยนะซึ่งพื้นฐานของคนที่จะเจริญได้ตามนั้นจริงๆเนี่ยนะก็เอาผลอย่างที่ว่าก็เราฟังไอ้ละเลึกรู้เรื่องจิตมากี่ปีแล้วละ่ะมัน่บรรลุสักทีอะถ้าเห็นอยู่เท่านั้นนะเนีถ้าเราเราคิดดูนะถ้าถ้าจะพิจารณาในแง่นั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจิตเป็นนามธรทมชนิดหนึ่งเนี่ยจิตเหตนเนี่ย เป็นนามมาทำชนิดหนึ่งแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นปจัจจัยแต่ถ้าบอกว่าจิตเนี่ยนะธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นจิตเห็นอันนี้อาศัยจากขูวิญญาณนี้เกิดขึ้นเพราะรูปคือจากขูรูปคือสีจากขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นทีนี้ถามว่า ถ้าไม่มนานัศการเนี่ยนะจักคูวิญญาณจะเกิดไหมอย่างข้างหน้าของมันมีพรมอยู่ถ้ามาไม่มนานัศการไม่เห็นนะเพราะนั่นก็นามนามส่วนก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยจึงเห็นเพราะอาวัชนะนั่นแหละจิตจึงเห็นขึ้นทีนี้เราวสาวต่อไปว่าเมื่อเห็ น, นะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะก็ถ้าเป็นแบบสมทั่วชาวโลกทั่วไปนะเออผืนหนึ่งสวยดีนะก็ คิดเฉยๆคิดเฉยๆทางมนโนเป็นอะไรมนโนกรรมพูดชมใหญ่เลยก็เป็นวจีกรรมเนี่ยนะไปรูปจับดูที่ผิวเป็นยังไงกายกรรมด้วยกุศลหรืออกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยนะควรเจริญหรือควรละควรละถ้าถ้าจะละถ้าจะละตัณหาได้เนี่ยเพราะอะไรทําไมจึงละตัณหาได้กําหนดรู้เวทนา ทำปริญญา3มในเวทนาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเห็นเห็นอทุขมาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจักสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะเที่ยวไปเนี่ยนะพาะคนที่จะเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยนะก็ต้องรอบรู้ในวัตถุแห่งสุขเพราะสุขจะเป็นสุขได้เพราะมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ที่เป็นทุกข์เพราะมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ที่อุเบกขาเนี่ยนะเพราะมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวทนาสามพระผู้เธเจ้าตรัสว่าเป็นตัวแทนแห่งโลกทั้งโลกเลยเนี่ยใช่ไหมโลกหนึ่งคือโลกหนึ่งคือสัพเพสัตตาหารถิติกานะสับทั้งหลายดํารงอยู่ด้วยอาหารแปลว่า ปั จ, จยุบันรธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ได้เพราะปัจจัยเนี่ยคือโลกหนึ่งโลกหนึ่งคือสังขารธรรมเกิดจากปัจจัยโลกสองคือนามกับรูปโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่ก็คืออาหารสี่แต่คำคำกล่าวว่าโลกสามคือเวทนาสามเนี่ยเป็นคําที่คลุมจักราวาลที่สุดเพราะคําว่าเวทนาสามนะนะทุกขเวทนาเนี่ยถ้ากล่าวโดยภพเนี่ยมากที่ไหน อบายสุขเวทนาเนี่ยโดยมากที่สุดอยู่ที่ไหนพรหมโลกเห็นไหมต้องต้องพรหมที่ได้ที่ที่มีแต่สุขนะเนี่ยนะตัยาชามเนี่ยตัิยชามหรือเจตุตชาปันจักรนายเนี่ยพวกนี้มีความสุขที่สุดเห็นไหมเพราไม่มีเวทนาอรือมีสุขเวทนาลุน่ลนๆเป็นปัจจัยส่วนมนุษย์ทั้งหลายล่ะของเราเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้นะั่นแหละนะเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ไม่ยิ้มเนี่ยนะ ถ้าเราคิดดูนะถ้าเหมือนกับเอาตัวเองมาเป็นภาพพยนในหนังอ่ะนะหนังใบอ่ะแล้วก็ดูสีหน้านะเดี๋ยวก็เดี๋ยก็ยิ้มเดี๋ยก็เฉยเดี๋ยก็ยิ้มเดี๋ยก็เฉยเดี๋ยก็ยิ้มเดี๋ยก็เฉยเนี่ยถามว่าโอ้ขัจะถ้าไม่มีแบบความรู้อะไรเข้ามาจับนะไม่เอาโวหารสมมุติของชาวโลกมาจับถามว่าหน้ากรุณาหรือหน้าอะไรนะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หน้าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยก็อย่างหนึ่งเดี๋ยก็อย่างนึ่งกันนี จริงอะ่ะแล้วถ้าเอาเรื่องรูปประคันเนี่ยมาพิจารณาอย่างนี้ทั้งรูปในอดีตชาติเป็นต้นไปเนี่ยนะทุกรูปทุกรูปมาเนี่ยถามว่าคู่ควรกับการเบือ่อหน่ายไหมอย่างนี้นะสาธุให้ไปเจริญเถอะ <c oughs> คือการพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาโดยโดยรอบจริงๆะนะถ้าไม่ไม่รอบจริงๆเนี่ยจักสรู้ไม่ได้หรอกเั้นคําว่าปริญญาเนี่ยนะโดยศัพท์ก็น่าจะชัดแล้วนะคือปริตัวหน้าเนี่ยแปลว่ารอบยาตัวหลังแปลว่า รู้ซ้อนย่อหญิงเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็แปลว่ารอบรู้ทีนี้ร อ, รอบรู้ก็มีสามระดับนี่ยนะยาตะปริญญาตีระปริญญาและปัญญาปริญญาพุทธพจน์ในสติปัฏฐานโดยมากเป็นปัญญาปริญญาถ้าพุทธพจน์ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะโดยมากเป็นปัญญาปริญญาเนี่นะท่านในในพระสูตรเนี่ยพอเขาฟังคับให้ละไปเลยเนี่ยเขาฟังจบเนี่ยเขาละได้เลยเนี่ยเขาเขาะได้จริงๆนี้ของเราเนี่ยอย่าง พอพูดถึงทีก็นึกได้ทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันก็อ่อนมากเลยนะโอ้เอินซียไม่รู้จะอ่อนยังไงเนี่ยนไม่อ่อนอยู่ตั้งหกอินซียอะเอ็นซีแปดที่เป็นทุกขศาย์นี้ไม่อ่อนคือเขก็มีเอ็นซีไงนะจากขุนซีโสตินซีคาเนนซียชิวหินซีกาินซียมะนินซียอิดหินซีปุริศินซีชีวิตตินซียเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยอ่อนหรอกเนี่ยแล้วก็ทุกขหินซีก็จะแก่กําลังแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเลยนะ สุ ข, ขินสีก็ลดลงลดลงลดลงแ่ะแต่ว่าศรัท ธ, ธานะสัตว์อินทรีย์ที่เป็นมรรคจริงๆเนี่ยกลับก็โอ้ยอย่าว่านะตอนนี้จเจริญขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> แต่ว่าอ่อนไม่ได้ละเจริญตั้งเยอะแล้วเฮ้มาดูบทอีกบทหนึ่งนะว่าผู้ที่จะรู้ปฏิสัมพิทาเนี่ยอัตถปฏิสัมพิธาเน้นที่อะไรเน้นที่ผล ธรรมปฏิสัมพิธานี้เป็นเน้นไปที่เหตุอันะก็มาขึ้นวาระว่าด้วยกุศลและอกุศลว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนะกะตะเมทำรรมากุศลาเยสมิงสามเยกามาวาจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติว่ากามาวาจรกุศลแจิตเกิดขึ้นพร้อมด้วยโสมณะประกอบด้วยปัญญาก็คือมหากุศลรวมที่หนึ่งนะมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธะมีธรรมะเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นในสมัยใดเนี่ยนะก็คือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธภิภะมีธรรมะเป็นอารมณ์ทานศีลภาวนาเนี่ยนะกุศลจิตที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในขณะที่เกิดเนี่ยอะไรในสมัยใดผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติเนียนะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้ น, น, นอะไร จิตเกิดขึ้ น, นนะก็อินทรียพะละโพชงมัดเป็นต้นเนี่ยนะคือกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นดังที่กล่าวไปนี่ชื่อว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลก็คือมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละความรู้แตกฉานในธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาแยกแยะตัวกุศลจิตเกิดขึ้นทั้งโดยว่ากุศลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรกุศลเกิดขึ้นมีอารมณ์หกนะ เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารหกกุศลเกิดขึ้นเป็นทานศีลภาวนากุศลเกิดขึ้นเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะก็ไล่ไปในกรรมสามเป็นต้นเนี่ยทีนี้ก็รู้รู้อย่างนี้แยกแยะแม้กระทั่งตัวกุศลเหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้แหละเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิธาส่วนความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าอธากปฏิสัมพิธาเช่นรู้ว่า มหากุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีอารมณ์หกปรารบเป็นไปกับทานศีลภาวนาล่วงมาทวาลสามคือกายกรรมกายทวานวจีทวานมโนทวานทีนี้กุศลเหล่านั้นถ้าแบ่งโดยชวณนะเนี่ยนะดวงที่หนึ่งที่ธรมะเวทนิยกรรมสามารถให้ผลได้ในชาตินี้ดวงที่เจ็ดสามารถให้ผลได้ในชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลได้ในชาติที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะ ท่านแยกแ ย, กแยกวิบากของกุศลกุศลเหล่านี้แล้วแยกสาวไปหาวิบากที่จะมีต่อไปได้การแยกกุศลเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาแยกวิบากของกุศลเป็นถาปฏิสัมพิทาอีกในหนึ่งก็คืออย่างอย่างเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นผลของอะไรวิบากกรรมชรัูวที่เป็นมนุษย์เหล่านี้นะเป็นผลของกุศลกันเลยก็สาวไปหาเหตุดูเห็นไหม อย่างจักคูวิญญาณที่เห็นหนังสือพระธรรมเนี่ยเชื่อว่าเป็นมหาวิบากอ่าเป็นผลของกุศลจักครูวิญญาณที่เห็นพระธรรมเนี่ยนะเห็นอักษรพระธรรมทั้งหลายเป็นผลของกุศลโสตวิญญาณที่ได้ฟังธรรมก็เป็นกุศลหรือว่าจักครูวิญญาณที่เห็นผู้มีศีลทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกุศลวิบากและสาวไปหาว่าอันนี้เป็นผลของทิฏฐธรรมได้ไหมจักครูวิญญาณโสตวิญญาณ ก็เป็นผลของที่จะทำได้เป็นผลของดวงที่เจ็ดชาติที่แล้วได้ไหมได้เป็นผลของมหากรุศลเมื่อแสนกัปที่แล้วเป็นได้ไหมได้โดยเหตุโดยผลเนี่ยเป็นได้อยู่แล้วทั้นการสาว่าเรียกว่ า, วามอง ม, มองกรุสแล้ววิบากตอนนี้สาวไปหาเหตุได้หรือเห็นเหตุคือกรุศลที่กำลังเป็นอยู่นี้ก็มองไปหาอนาคตที่จะมีต่อไปได้การรู้แยกเยะลักษณะนี้แหละเรียกว่ารู้ เรียกว่าปฏิสัมพิทาแต่ว่าปฏิสัมพิทาเนี่ยนะถ้าโดยหลักเนี่ยเป็นสำหรับใช้กับพระอริยะอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยมาพิจารณาตามเรียกว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้เรามีปฏิสัมพิทาในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าความรู้ในปฏิสัมพิทาเนี่ยเป็นของพระอริยะอย่างเดียวทีนี้อาคุศลก็ในยะเดียวกันนะว่าอาคุสน์ทวนนี่หนึ่ง ถ้ากล่าวว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหนแล้วยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเท่ากับกล่าวกุศลกี่ดวงไปแล้วกุศลเท่ากับกล่าวกุศลล้กุศลยี่สิบเอ็ดไปแล้วนะกล่าวกุศลยี่สิเอ็ดกุศลยี่สิบเอ็ดมีอะไรบ้างมหากุศลแปดมหาคตาก้าโลกุตระสี่รวมเป็นยี่สิบเอ็ดนี่ยนะแล้ววิบากของกุศลทั้งหมดเหล่านี้มีเท่าไหร่ถึงหรอ คิดใหม่ได้มหา อ, อเหตุกะกุศลแปดมหาวิบากแปดมหาคตาวิบากเก้าโลกุตระสี่เป็นเนี่ย น, นะก็สามสิบหกเอาออกเจ็ดนั่นแหละก็เหลือยี่สิบเอ็ดนี่ยนะนั่นแหละผลของมหากุศลมีอยู่เท่านั้นเลเกินมั้งเกินยี่บผลของมหากุศลนะออขออภยัยผลของกุศลทั้งหมดเลยอ่ะนะ คืออาเหตุกัวิบากแปดมหาวิบากแปดมหาคตาวิบาเก้า ล, ลกิจอีกสี่รวมเป็นยี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้าอันนะความรู้ในวิบากของกุศลทั้งยี่สิบเก้านั่นแหละเรียกว่าอัธธาปฏิสัมพิทาเนี่ยเช่นว่ารู้รู้ ร, ร, รู้โลกุตระกุศล เป็นธรรมปฏิสัมพิทาใช่หรู้โลกุตราวิบากเป็นอัฏปฏิสัมพิทา